หลายคนที่มาในงานนี้โดยเฉพาะถ้าหากว่าไม่ค่อยคุ้นอคยกับคำสอนอก็คำเขียนก็จะสงสัยว่าทำไมจึงตั้งชื่องานนี้รวมทั้งการบรรยายเมื่อสักครู่แล้วก็ที่จะบรรยายต่อเดี น, นี้ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไร คำนี้เนี่ยเป็นคำที่หลวงพ่อคำเขียนเน่นได้ผู้ไว้ท่อนขางป่อยในช่วงใกล้ท้ายของชีวิตท่านใกล้ท้า ย, า ย, น, ย, าายนี่ก็หมายถึงว่า5้าปีสิบปีนะแล้วก็ยิง่งเมื่อมาถึงระยะท้ายของชีวิตท่านเมื่อท่านอาพาธมาบุรมเรรงครั้งสีอมเนี่ย เมื่อต้นปี57แล้วท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะว่ามีการจเจาะ้อท่านก็เขียนและในข้อเท็จของท่านเนี่ยที่ว่าบันทึกอย่างอาภาพเนี่ยท่านจะเขียนพูดถึงคาว่าไม่เป็นกับไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยหลายครั้ง และพูดโดยการให้ความสาคัญในฐานะที่มันเป็นมรรคิธีคือแนวการปฏิบัติสำหรับรูปศิษของท่านที่ท่านอยากจะฝากเอาไว้และทั้งในฐานะที่เป็นสภาที่ท่านได้อาศัยใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นจุดพุ่งหมายของการปฏิบัติที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยควรจะไปถึงแล้วก็คือเป็นวัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางด้วยเมื่อ็ิณฑลเนี่ยอาจาย์กำพลความคุณนนุ่มได้มาพูดที่นี่เป็นการ จะเรียกว่าบรรยายธรรมขั้นสุดท้ายของท่านซึ่งท่านประกาศว่าจากนี้ไปท่านจะแขผ่ใหม่นะในแผ่โน้ตแผ่ใหม่นะก่อนท่านจะแผ่ใหม่ในวันนั้นที่เนี่ยท่านก็พูดเนี่ยคําสอนหลวงพ่อเรื่องไม่เป็นอะไรก็อะไรเนี่ยมันเป็นมันเป็นมงคลเลยนะมันเป็นเพชรเลยนะมันเป็นเพชรเนี่ยประดับมงคลเลยดูเหมือนสุดยอดของคําสอนของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเราจะมาระลึก ถ, ถึงคุณของหลวงพ่อโดยก็ในโอกาสิ0ปีแห่งชาติการของท่านก็คงจะไม่มีประเด็นใดที่เราควรจะมาพูดถึงหรือให้ความสำคัญเท่ากับเรื่องไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่าง้รก็ตามเนี่ยแมาจะ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 ตอนที่อาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังมีความทุกข์พาความพิการปีส8ปได้ทราบว่าหลวงเขีิยเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลงพ่อเทียนหลพ่อเทียนล่าสังขารไปงานล้ปีสาหนึ่งอาจารย์กำพลสนใจการเปิดบ้านงพ่อเทียนก็เลยเขียนจดหมายมาปรึกษาธรรมะกับหลวงพ่อขียนหลวงพ่อขรยก็เขียนตอบกลับไป ซึ่งจนหมายแล้วเนี่ยนะก็ได้มีการถ่ายสําเนาไว้อยู่ในหนังสือที่แจกในวันนี้เกี่ยวกับประวัติตอนต้นของของอาจารย์ํางคนข้อความตอนนี้บอกว่าเวลามันทุกข์เนี่ยอยากไปเป็นผู้ทุกข์เวลาเกิดความเบื่อหน่ายความออัดขัดเคืองให้เห็นให้รู้ว่ามันเป็นแค่อาการของจิต อย่าไปเป็นกับอะไระอันนี้แหละนะคือเขาคือจุดเริ่มต้นนะของคำสอนที่ต่หลังงอกออกมาเป็นว่าไม่เป็นอะไรกับอะไระแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยคำพูดที่ว่าอย่าเข้าไปเป็นกับอะไรนะคราวนี้เนี่ยอาตมาจะากจะขยายความสักหน่อยนะ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 หลวงปู่ดูลนัตตุโลเนี่ ย, เ, ยเมื่อกี้คุณคุณเขา่าอ้างถึงหลวงปู่ดูลย์ <c oughs> ถ้าเป็นรู้สิษย์ปู่มั่ น, น, นแรกๆท่าน <c oughs> เคยพูว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดถึงจะรู้แต่ต้องอาศัยคิดแต่จะรู้ได้ต้องอาศัยคิดถ้า น, นก็หมายความว่าไอ้เรื่องไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ย มันเข้าใจไม่ได้ถ้าหากใช้ความคิดมันต้องรู้มันต้องสัมผัสด้วตัวเองแต่อย่างน้อยเนี่ยนะไอการที่เราอาศัยความคิดตั้งก็อาจจะช่วยทำให้รู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่จะพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นเรื่องรุ่มรืกอ ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยการคิดแต่ว่าถ้าจะมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ้างตัวอาศัยความคิดนะแล้วก็ผสมกับประสบการณ์นะของครูบาอาจารย์และจากการที่ได้ปฏิบัตินะก็คงจะช่วยทาให้เราเข้าใจนะสิ่งที่อาจารย์งคนเรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นเพชรแห่งมงคลหรือเป็นเพชรแห่งธรรมได้ไม่เป็นอะไรกับอะไร คำถามแลกคือวอะไรตัวหลังเนี่ยมันคืออะไรอันนี้ง่ายสุดเลยอะไรตัวหลังเนี่ยมันคืออะไรนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าอะไรตัวที่สองเนี่ยหมายความว่าอะไรอันนี้ก็เราก็อาจะดูได้กทีหลวงพ่อเขียนท่านเคยพูดเอาไว้เขียนมันทึ่งเไว้ถ้าบอกว่าเนี่ยมีแต่เห็นนะอย่าข้อไปเป็นอะไร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 ที่เกิดขึ้นกับการและใจซึ่งมันเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาเกิดตอนนี้ก็เกิดแล้วใช่ไหมฮะปวดเมื่อยร้อนอาจจะมีความหงุดหงิดอาจจะมีความรำคาญอาจจะมีความกังวลนะนั่นแหละดูสิทหลวงพ่อบอกว่ า, วาไม่เป็นอะไรกับสิ่งเหล่านี้ตอนนี้คาว่าเป็นอะไรเนี่ยหรืออะไรตัวแรกเนี่ยหมายถึงอะไรเราจะมาจะพูดให้มันเข้าใจง่าย โดยจำแนกออกมาอย่างแรกคือไม่เป็นมันไม่เข้าไปเป็นมันมันนี่คืออะไรอารมณ์ความคิดความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นอย่าไปเป็นมันมีความปวดเกิดขึ้นอย่าไปเป็นผู้ปวดมีความเมื่อยเกิดขึ้นนะอย่าเป็นผู้เมื่อยท่านจะกำกับด้วยคำว่าเห็น เห็นไม่เข้าไปเป็นขณะ น, นี้เนี่ยนะถ้าปวดเมื่อยเนี่ยนะก็แค่เห็นไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยหรือเมื่อกี้ที่ท่านบอกอาจารย์กัมพลว่าเมื่อมันทุกข์อย่าไปเป็นผู้ทุกข์นะให้เห็นมันนะอันนี้รวมคาว่าดีใจนะพอใจชอบใจนะก็อย่าเข้าไปเป็น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 หลวงพ่อไม่ตอบหลวงพ่อกลับถามกับพูดไปว่ายังถามไม่ถูกให้ถามใหม่เธอนี้สักพักแล้วเธอพูดมาว่าหนูเห็นมันเครียดเหมือนกันต่างกันนะระหว่างหนูเครียดกับหนูเห็นมันเครียดหนูเห็นหนูเห็นความเครียดห น, หนูเครียก็คือเข้าไปเป็นแล้วเป็นผู้เครียด แต่นูเห็นมนเครียดเนี่ยคือว่าความเครียดก็อันหนึ่งนะหรูก็อันหนึ่งนะนนนงนะมันมีระยะหา่างตรงเนี้ยความเครียดเนี่ยพอมันถูกเห็นนะมันจะหมดพิษสง ม, มันจะคลายพิษสงความโปวดความเศร้าเนี่ยถ้าถูกเห็นเมื่อไรเนี่ยนะอารมภาพหรือพ ล, ลัอารภาพของมันเนี่ยจะลดลงความปวดความเมื่อยถ้าเราเห็นมันนะ มันจะทำอะไรใจเราไม่ได้มันก็ยัปวดเมื่อยที่กายที่ขาพวกนี้เนี่ยนะมันกลัวถูกเห็นหรือมันพ่ยแพ้ต่อการเห็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะซามันจะสงบมันจะหมดที่โสภเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่เข้าไปเป็นเนี่ยเอาเฉพาะความหมายมันต้นต้นก่อนเนี่ยมันช่วยได้เยอะ ไม่ไปเป็นกับทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยความเครียดรวมทั้งความคิดภุ้งสรางต่างๆซึ่งทำได้ด้วยการมีสติเห็นไอ้หลวงพ่มเขียนท่านจะพูดอยู่เสมอซึ่งคำพูดนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นเป็นเป็นเป็นหัวข้อที่จัดงาน่อปิทีแลวดูเห็น ไม่เป็นสติช่วยมากไม่เป็นอะไรกับอะไรในความหมาที่สองเนี่ยคือว่าไม่เป็นปฏิปักษ์กับอะไรเลยนะมีความปวดความเมื่อยตอนนี้ที่แขนที่ขาก็รู้เฉยๆอย่าไปอย่าไปทะเลาะเอกแรงกับมันจะไปพักไซด์มันนะ มีความกลัวก็ขึ้นในใจก็เห็นมันอย่าไปผลักมันอย่าไปกดข่มมันตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นมันเป็นหลักมันเป็นเคล็ดลับของการสติปัตย์จริงๆความทุกข์คนเราเนี่ยนะบ่อยครั้งมาเกิดเพราะการที่ใจเนี่ยมันเป็นปฏิปักษกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางพัสดบ่อยครั้งเนี่ย แล้วมุดหิดเพราะมีเสียงดังไม่ทราบว่าเมื่อตอนอธิรายเนี่ยหลายหลายคนรู้สึกรำคาญไม่มีเสียงดังจากข้างบนนะหลายคนจะรู้สึกมุดหิดแต่ที่จริงมันไม่ใช่ปัญหาที่เสียงนะที่เราได้ยินแต่มันเป็นเพราะใจเราเนี่ยไปเป็นปฏิกักกับมันมีเรื่องเล่าว่าเมื่อ ส, สีสิปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อชาสุภัทโทนเนี่ยได้รับนิมนต์ไป ประเทศอังกฤษอาจารย์ชูเมทโฮตอนนั้นพันสาก็สิก็ตามไปด้วยสมัยนั้นเนี่ยไม่มีวัดธรรมโรทีไม่มีวัดปาจิตวิเวกเจ้าภาพก็ให้คณะหลวงพอชาพักที่วิหารกลางกรุงลอนดอนชื่อวิหารแฮมสเต หลวงพ่าชาก็มีจัดให้มีการบรรยายทำการทำสมาธิการสวดมนต์เป็นประจาโดยเฉพาะตอนเย็นอักยนวนหนึ่งนะักต่านก็เช่นเคยก็นำทำสมาธิแต่บังเอิญเนี่ยตรงข้ามวิหารแฮมสเตดเนี่ยมันเป็นถับเป็นบาร์แล้วก็แต่จว่ามันเป็นเย็นวันสุดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนไปเที่ยว แล้วก็จะมีการมีดนตรีนะส่งเสียงอุกทึกทึกโครมเข้ามาถึงในวิหารอาจารย์ซุเมโทะตอนนั้นบอกว่านั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลย้เสียงดังคําพอว่าแต่ที่มันร้องไม่พอเนี่ยมันแย่มากเลยแต่หลวงพ่อใช้ต้องนั่งนิ่งสงบเหมือนกัไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นเวลาสักสีสิบนาทีพอพอทำสมาธิจบเจ้าภาพชาวอังกฤษก็เข้ามาหาหลวงพระชาแล้วกล่าวคำขอโทษขอโทษที่เสียงรบ ก, กวนหลวงพ่อและคณะหลวงพ่ชาท่านตอบเปงนไงท่านตอบว่าโยมไปคิดว่าเสียงมารบ ก, กวนโยมแต่ที่จริงอะโย ม, มเป็นรบ ก, กวนเสียงต่างหาก เข้าใจไหมที่ทุติยมทุกเนี่ยเาโยมไปรักควรเสียงตัวโยกอันนี้ขยายความว่าตัวโยมมันน่าอยู่เนี่ยแต่ใจเนี่ยมันไปทะเลาะบอแว้งกับเสียงนะะมันไปผักสายมันไปต่อสู้กับเสียงดังทำไมทำไมคุณดังนะมาตาอะไรวะตอนนี้ร้องเพลงก็ไม่เพราะเนี่ยนะเมื่อไรจะหยุดสักทีหยู่ได้ล้ววยไเนี่ยนะเนี่ยคือไปทะเลาะกับเสียงนี่แสดงว่าเป็นละเป็นคือเป็นปฏิปัติ กับเสียงนะั้นคนเรานะถ้าใจมันเป็นปฏิปักษ์กับอะไระ ต, ตามมันทุกข์ทั้งนั้นนะ่ะกับหน้าตาที่ไม่สวยกับสิวที่ไม่กินได้บนใบหน้ารู้สึกไม่ยอมรับมนะันเนี่ยทุกเลยนะฮะผมที่เริ่มงอนะความเห็นที่ได้อ่านในลายในเฟซบุ๊เพรา้สึกไม่ชอบเนี่ยรังเกียจเป็นทุกข์เลยเพราะนั้นเนี่ยนะ ไอ้การที่เราไม่เป็นปฏิปักษ์กับอะไรเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งสาคัญนะในการช่วยทําให้ใจเนี่ยราสงบแล้วเมื่อเราไม่เป็นปฏิปักษ์นะไอ้การปล่อยวางก็เกิดขึ้นได้ง่ายการไม่เป็นปฏิบักษ์ก็มีความหมายเดียวกันคำว่ายอมรับนะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น ความหมายประการที่3ามนะไม่เป็นอะไรกับรายเนี่ยก็คือไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยนอกจากไม่เป็นไม่เป็นมันไม่เป็นปฏิปักิกับมันและคือไม่เป็นเจ้าของมันมันในที่นี้ก็อาการที่เกิดกับกายและใจเราไม่รู้ตัวนะความโกรธความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ชอบแต่เพอทีรนะ เราไปยึดว่ามันเป็นของเราความปวดเป็นเราความปวดเป็นของเราเราไม่ได้ดยึดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ทำความเพลดเพลิกับเราแล้วก็วยกึดวา่วาปเป็นของเราความเจ็บความปวดเป็นของเราและสุดท้ายเนี่ยนะมันก็ย มันมันยาวอยถึงความสําคัญบ้างหน่ยว่ากายและใจเนี่ยเป็นเราเป็นของเราตรงนี้แหละนะที่มันทําให้ทุกข์เพะพอกายนี้เนี่ยมันเริ่มเสื่อมไปความทุกข์เกิดขึ้นอันดีกายของเรากายของกูแต่ว่ามันเสื่อมไปมัน มันเริ่มแก่มันเริ่มจ่อนยาน <Yeah. S 1> ความคิดจิตใจที่เคยจำได้แน่นคิดอะไรได้คล่องแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปดั่งใจนะความสุกใจของเราใจของเราไ <Yeah. S 1> ปยึดมันเมื่ อ, อไหร่เนี่ยพอมันแปลเปลี่ยนไปเนี่ยทุกเลย ประเด็นนี้คุณคุนขาวก็ได้พูดเอาไว้แล้วนะแต่แต่ว่าอยากจะขยายความให้ให้ชัดว่านี่โดยเฉพาะ้เรื่องกายกับใจเนี่ยรวมทั้งอาการที่เกิดกับกายและใจไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ยนะมันทุกทันทีมันทุ ก, ทมทกเมื่อเริ่มที่เราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นจิของเรา การปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพการเจริญสติปัณนาเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นนะว่าอย่างแรกเลยนะมันไม่มีเราไอความยึดว่าเป็นเราเนี่ยกายของเราใจงขงเราเนี่ยมันเริ่มต้น ก, กันมีความรู้สึกว่ามีเราเราเป็นผู้กระทําทุกอย่างเดินก็เราเดิน คิดก็เราคิดปวดก็เราปวดโกรธก็เราโกรธมันมีแต่เรานะแล้วของเรามัตามมาแต่ถ้าเราเดินสตนะิมันดูกายดูใจเห็นกายและเป็นใจอยู่เนืองเนืองมันจะเห็นเลยนะมันไม่มันไม่มีเรามันมีแต่กาย ก, ากาับใจเมื่อเดินไม่ใช่เราเดินนะ แต่มันเป็นรูปที่เดินหรือการที่เดินเมื่อโกรธเมื่อเครียดมันไม่ใช่เราโปวดเราเครียดแค่ใจมันโกรธใจมันเครียดและตอหลังก็เห็นกระทั่งว่าความเครียดมันเกิดขึ้นที่ใจความปวมันเกิดขึ้นที่ใจเริ่มเห็นละเอียดขึ้นแต่ก่อเราปวดเราเมื่อย แต่ตอนลังเห็นว่ามันไม่ใช่เราปวดแเมื่อยมันเป็นขาที่ปวดแขนที่เมื่อยไอตัวเรามันหายไปเลยนะหลวงพ่อเห็นท่านว่มันกลุ่มสติมันช่วยถุ่จากเดิมที่เห็นเป็นก้อนนี่นะมันเห็นเนแค่นี่มันเห็นเป็นอย่างนี้คือกายกับใจแล้วตอนเห็นเป็นเราแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยมันไม่เห็นเราแล้ตัวเรามันหายไปมันมีแต่รูปกับนามันมีแต่กายกับใจ แล้วเราจะพบ ว, ว่าคำว่าเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาในใจมันไม่ได้มีอยู่แต่เดิมเราหรือฉันเนี่ยขอเปรียยนชื่อง่ายๆนะคำว่ากรอไก่กับกบรอกใบไม้เนี่ยนะเวลามันอยู่โดดๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรก็แค่ตัวสองใช่ไหมแต่พอมาเจอกันเข้าไปเนี่ยเรานึกถึงกันไร กบเรานึกถึงสัต์ชนิดหนึ่งใช่ไหมเรานึกถึงสิ่งที่ใช่เหลาดินสอใช่ไหมความหมาย น, นเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในเดิมแต่มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาในใจใช่ไหฮะจริงๆมันก็มีแค่ตัวหนังสือกอก บ, บอนี่แนะแต่เราความหมายมันเกิดขึ้นมาในใจความหมายมัเกิดขึ้นเพราะเราไปไปให้ความหมายมาในใจต่อเตา อ, อ, อันหนึ่งใช่ไหมฮะ ตอนเด็กอันหนึ่งใช่ไหมครับมารวมกันเป็นยังไงผลได้กลิ่นไหมเหมนเหม็นใช่ัหไม่ชอบมันเป็นความหมายที่สร้างขึ้นมาเองใน ใ, นใจไอ้ตัวหนังสือเนี่ยมันไม่ได้บอกเลยใช่ไหมไอ้คาว่าเรากป็เหมือนกันคำว่าฉันเหมือนกันมันคือสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาในใจของจริงมันมีแต่รูป ก, กับนามมีแต่กายกับใจแค่นั้นแหละแต่เราไปปรุงไปสร้างขึ้นมาว่าเป็นเรานะ มันมีตัวเราเนี่ยซอ้อนเป็นภาพซ้อนขึ้นมาซึ่งถ้าเราเจริญสติเนี่ยดูมันเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะว่ามันไม่มีเรา ม, มีแต่รูปกับนามมีแต่การกับใจใช่ไรับและตรงนี้แหละที่มันทาให้ไอ้ตัวเราเนี่ยมันค่อยๆลดลงลดความสําคัญไอ้ความคิดว่าความคิว่าทำไมว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เนี่ยมันก็จะลดลงเราทํานั่นเราทานี่มันก็จะลดล ง, เ ร, เ, รลดลงเราก็จะเห็นว่า ไอ้ที่ทำเนี่ยคือรูปกรรนามกจิตใจมันไม่มีเราและรูปกรรนามก็ไม่ใช่เราต่อไปก็จะเห็นว่ารูปกรรนามเนี่ยก็ไม่ใช่ของเรามันไม่เป็นไปตามอำนาจของเราตรงนี้แหละที่ทําให้ความการเป็นเจ้าของอ่ะเจ้าของรูปเจ้าของนามหรือเจ้าของร่างกายนี้เจ้าของจิตใจเนี่ยมันก็สลายหายไปลดทอนหายไป ไม่เป็นอะไรก็เลยคือไม่เป็นเจ้าของรูปกับนามไม่เป็นเจ้าของการกับใจเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติมันไม่ใช่อยู่ในอำ น, นาจที่เราจะบังคับบัญชาได้และต่อไปก็จะเห็นนะในความอมายที่สี่ก็คือเห็นว่าไม่ใช่แก้การกับใจที่เราไม่มีความสัาพันธ์ต้หมายว่าเป็นเจ้าของมัน ไม่เป็นอะไรกับไรยังหมายถึงว่าไม่เป็นไม่สัมพันากว่าเป็นเจ้าของอะไรเลยไม่ใช่แค่การกับใจแต่รวมถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวทรัพย์สมบัติบริษัทบริวารคนรักอันนี้รูปธรรมหรือนามธรรมนะก็ได้แก่ชื่อเสียงผลงานความสำเร็จคำว่าอะไรเนี่ยนะตัวหลังเนี่ย มันไม่ใช่แค่กายกับใจแนละมันรวมมาถึงทุกอย่างเลยอัตมาชลหของพ่องเขียนในข้อการที่ต้องการจะบอกอย่างนี้ด้วยว่าคำว่าอะไรนี่นะมันคือทุกอย่างนะซึ่งทางพุทศาสนาเรียกว่าสังขารหรือภาษาชาว บ, บ้านเรียกว่าสรรพสิ่งนะยกเว้นนิพพานะอะไรใ น, นความหมายมันกว้างมคลุมทั้งโลกเลยแลนะเริ่มจากกายกับใจแล้วก็ไปถึงสิ่งที่ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจ ไม่วจนรูปประธานวิญญาณมาท ำ, าทำก็ไม่มีความสําคัญมันหมายว่าเป็นเจ้าของมันนะเขารู้ว่ามันเป็นของใครไม่ได้มันเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าไปพิจาว่าเป็นเจ้าของเพื่อะไรเนี่ยทุกเลยนะก็จะพ้นไม่มีทางพนจากอำนาจของกิเลสหรืออานาจของมาร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 ท่านก็จะไม่พ้นจากอํานาจของเราได้ก็คือว่าถ้าไปยึดเข้าไปสัมพันธ์เป็นเจ้าครอบเจ้าของอะไรก็ตามนี้ของเรานี่ของเราจะไม่มีทางพ้นอํานาจทนจากอํานาจของ ม, มันแล้วก็จะไม่มีทางพ้นจากเรื่องของความทุกข์ได้แต่ประเด็นนี้ก็ได้พูดกันไปแล้วนะเมื่อรายการที่ผ่าน ม, มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเยขาไม่เป็นอะไรเนี่ยนะ มันคือสิ่งที่เราต้องกลับมาถามตัวเรองว่าเราไปคิดมั่นไปสำคัญบั่นหมายว่าโน้นนี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้าเป็นเมื่อไรเนี่ยทุกทันทีเจวดาเเคยคุยเคยสมหารผู้ใจตอนว่ามีมีบุตรก็สุกพอบุตรมีโคก็สุกพอโคนะผู้เจ้าตัดว่าพูดแย้งว่ามีบุตร ก็ทุบพ่อบุตรมีโคก็ทุบพ่อโคลมีในที่นี้เนี่ยมายถึงเป็นเจ้าข้าเจ้าของหรือมีความสําคัญต่อเราเป็นเจ้าของเจ้าของเจ้าของของฉันของฉันถามว่ามีโดยไม่คิดได้ไหมก็ได้นะพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่เปิดเสว่าในเมื่อเราไม่สามารถจะคิดว่าอะไรเป็นของเราได้ก็สละทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เชิงขนาดนั้น เมื่อหมือนกับลัทธิเชนลัทธิเชนเนี่ยเขาถือว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเพราะนั่นเขาสลักหเวลาออกบวดเนี่ยจะเป็นเสธีผ้าบอดีเนี่ยเขาจะสลักทุ ก, กอย่างแล้วเขาจะออกบวดและไม่ใช่เท่านั้นนะกระทั่งเสื้อผ้าพก็สลักด้วยไม่มีสมบัติหรือแม้แต่ม้อเพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่ยึดมั่นว่าเป็นเจ้าของอะไรเลยแต่ทางเมืศาสาดน้ำไม่ได้มองไปดิษฐานาน้ำมองว่ามีก็ได้แต่ไม่ยึดว่าเป็นของเรา ผุทดจ้า ก, ก็มีไตรจีวรมีบาทนะพระเศวณีนี้ก็มีเยอะนะนะมีมากผุทดูจ้าแต่ว่าท่านไม่ยึดว่าเป็นของท่านเลยแจกหมดนะอะไรที่งยังดอะไรที่ทยังใช้อยู่ก็ไม่ได้ยึดวเป็นของเราเพราะมีในที่นี้เนี่ยมันแปลว่าไม่ยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นเจ้าของนะมันไม่ได้แปลว่าทิ้งหมดไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งเสื้อผ้า ประการสุดท้ายเนี่ยครัว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยยังหมายถึงว่าไม่มีความสําคัญเมื่อมาว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่เช่อนอะไรเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเคยมีมาเนี่ยนะมาล่อลวงมาชักจูงให้พระเถรุท่านหนึ่งคลายความเคียดในการประดีับพระบอกเนี่ยท่านเป็นผู้หญิง นะจะปฏิบัติทรามได้อะไรสมองเพ่งแค่นี้ยนะมาพูดท้าทายให้คลายความเกีย ร, ร์พระเถรีท่านนั้นก็ตอบนะว่าใครก็เราไม่เราไม่มีความสําคัญบรรหมายว่าเป็นสตรีหรือบุรุษใครก็ตามที่สําคัญบรรหมายว่าเราเป็นบุรุษเราเป็นสตรี ให้ท่านไปหาคนเหล่านั้นเถอะไปหาเพราอะไรเพราะว่าจะได้ครอบครองอยู่ในอำนาจนะก็ทีนี้เนี่ยท่านท่านคนเราจับความดึดมั่นว่าเป็นผู้หญิงไปคนนะแต่คนเราเนี่ยสำคัญมากเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเราสําคัญ ม, มัดหมายว่าเป็นอะไรหลายอย่างและความสมคัญมัดหมายนั้นเนี่ยนะ ที่เรว่าเป็นเรานี่นะเราเคยสังเกต ว, ว่ามันไม่เคยคงที่พอเจอลูกก็สําคัญว่าเป็นแม่พอเจอลูกสิวก็เปลี่ยนไปฉันคืออาจารย์พอเจอฝรัง่งฉันคือคนไทยพอเจอคนกรุงเทพความรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีสานก็ผดขึ้นมา พอเจอคนขอนแก่ความสู้ว่าฉันเป็นคนใช้ฟูก็เกิดขึ้นนะพอเจอคนถ้าทําเพียนมรู้ว่าฉัเป็นคนท่ามาไฟเพราะกราวกฎไอ้ความเป็นเราเนี่ยนะมันเลื่อนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันเลื่อนหลไปเรื่อยๆแล้วอะไรที่มันเลื่อนหลไปเรื่อยๆเนี่ยมันจริงไหมนะมันไม่จริงแต่เราก็ไปเชื่อมันจริงนะแล้วที่ี้การที่ว่ามันทําให้ทุกข์ด้วย เพราะว่ายึดมั่นว่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทุกยึดมั่นว่าฉันเป็นแม่มันก็จะมีความสําคัญมั่นหมายว่าลูกต้องฟังพ่อแม่นะลูกจย่เขียงแม่นะลูกต้องเรียนตามที่แม่สอนแม่แมนะนําถ้าลูกไม่ทําให้เป็นอย่ที่แม่ต้องการทุกเลยนะเป็นเจ้าว่านะมันก็มีกิเลสแบบเจ้าว่า แนะว่าลูกวัสก็ต้องฟังต้องเชื่อฟังนะมาถึงก็ต้องไหว้ก่อนนะฮะแต่พอเขียนไมตรงนี้นะท่าเจอใครท่านไหวท่านไหว้ฝังเป็นแทกเลยนะอาจารย์ชิพว่าเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยคำเตือนป็นเสือปืนวายไม่มีใครที่จะไหว้ท่านก่อนเลยท่านไหว้ก่อนหือถ้าไม่มีความสำคัญเป็นหมายในในเรื่องว่าในเรื่องนี้เลยในเรื่องว่าเนี่ยกานเป็น จะพ่อครูฉันเป็นเจ้าว่าฉันเป็นพันเตเนธต้องไหว้ฉันเคารพท่านก่อนอะไรทํางๆเนี่นะหรือว่ามาทานอาหายก็ต้องต้องมีลูกศิษย์ไปเตรียมการชามาให้อย่างที่อาจารย์ชิดเล่าอันนี้หลวงพ่อความเขียนท่านไม่มีไอความสําคัญนั้นหมายในลักษณะนี้แต่คนส่วนใหญ่มีพอมีได้ไปงานทุกนะ มีแล้วทุกคนละทุกข้อความเป็นนั่นเต็นนี่อัตมาเคยเล่าฟังแล้วมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีขลังถามหลวงพ่อชาว่าทางเถราวานเนี่ยนะถือว่าอรหันเนี่ยเป็นสุดยอดเป็นตัวปกติมหายานี่ก็ถือว่าพระโพธิสัต์เนี่ยเป็นตัวปกติของชีวิตเพราสับสนมากก็เลยถามว่า น่าจะเป็นอะไรดีนะระหว่างโคติสัก์กับพระอาหารหันต์หลวงพ่อเฉาไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะเพราะเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นพระเจ้าเจ้าเนี่ยไม่มีคนมาถามาพระ ว, ว่าท่านเป็นเทวดาหรือพระมบอกไม่ใช่ท่านเป็นคนทำห ร, รือพระองคปฏิเสธท่านเป็นยักษ์ใช่ไหมพระองคปฏิเสธเมื่อปฏิเสธพวกหนือย่างเดียวนะคือเป็นมนุษย์หรือเปล่าพวก็ปฏิเสธงงเลยนะ ตัวล้มลงเป็นอะไรพรูเจ้าก็ตอบว่าเนี่ยไอ้กิเลส ท, ที่ทําให้เป็นเทวดาเป็นคนทานเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เนี่ยคงไม่มีแล้วนะเป็นเหมือนดอกกัวนะที่น้ําม่อาจแตกตื้นไะด้ก็คือกิเลสไม่อาจแตกต้อมได้คงไม่เป็นอะไรเลยแต่ก็บอกว่าถ้าจะเรียกพระองค์ก็เรียกว่าปฐมคนนะ ถ้าจะเป็นก็เป็นด้วยเพราะรู้ว่ามันเป็นสมมุตินะถ้าจะเป็นก็เพราะตำหนักหรือเพราะเห็นว่ามันเป็นแค่สมมุติผู้เจ้านี่ก็แท้ก็รู้ักสมมุติพผู้เจ้าก็ก็ใช้สมมุติให้เป็นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยถูกสมมุติใชนะ้ถูกคร่อบงำด้วยสมมุติถูกคร่อบงำด้วยชื่อนะเราปล่อยให้สมมุติ เ, เข้ามาครอบงานเรา เวลาเรากินอาหารเนี่ยกินไก่ย่างกินหูฉลามเนี่ยกินเวเ้นเนี่ยนะเคี่ยวในป่า น, นีออนะะ่อร่อยนะอร่อยนะจืนตาง ม, มากใช่ไหมแต่เวลาเราคลายลงมาเนี่ยนะคลายลงมาเนี่ยคลายใส่จานไม่ไดนะ้มีใครบ้างที่คิดว่าพร้อมที่จะปักเข้าใสยปากอะไม่เพราะอะไรเพราะเมื่อคลายออกมาคือทราย ใช่ไหมมันคือขยับไปแล้วมันคือปฏิกูลไปแล้วอํานาจของสมมุติเนี่ยนะมันทําให้เราขยะขยะไอสิ่งที่เรากินข้างที่มันอยู่ในปาเมื่อกี้นี่เองหวานไหมอร่อยไหมใช่ไหมแต่พอมันมันอยู่ข้างหน้าเรามันเปลี่ยนสภาพเป็นเปลี่ยนขยะใช่ไหสภาพมันไม่เปลี่ยนนะอยู่ในปากเรายังไงออกมาอีกก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่สมมุติมันเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนมันไม่ใช่อาหารตอน่ในป่าคืออาหารใช่ไหมตอนออกมาคเป็นขยะ เหมือนเนืนทุกอย่างเลยเพียงแต่ชื่อมันเปลี่ยนอันนี้เราสมมุติเนี่ยเราเนี่ยเป็นภาคของสมมุติมากถ้าเรากิกนกินมันไม่ลงเนี่ยใช่ไหมฮะทังที่มันเมื่อกี้ยังอร่อยเลยยังอยากจะเคี้ยวนานๆนะแต่พอเห็นมันเนี่ยกินไม่ลงนะเพราะไปยึดมั่นกับสมมุติว่ามันคือปิ๊ย า, ยา ม, มันคือปฏิกูลก็เลยกินไม่ลงอันนี้เราว่า เราเนี่ยนะเป็น่านสมมุติเราไม่ได้ใช้สมมุติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเอาสมตมติมาใช้เราไม่ได้นะหรือว่าตกอยู่ในอำนาจของสมมุติไม่เป็ น, นอะไรกับอะไรเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยไม่มีความสำคัญบ้านหมาหยว่าเป็นนั่นเป็นนี่นะตอนแรกนิสมาพยายามจำแนกนะพยายามจาแนกว่าความไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ย ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันหมาย อ, อะไรกาคือหนึ่งไม่เข้าไปเป็นมันสองไม่เป็นปฏิบัติกับมันสมไม่ยึดมันเป็นเจ้าของมันกายกับใจแล้วก็หลวงทั้งไม่ยึดมัน่นสําคัญหมายว่าไอ้สิ่งที่ไม่ใช่กายนี่ไอ้สิ่งนอ ต, ตัวนี้เป็นเราเป็นของเรา ค, คือไม่สำคัญมากว่าเป็นเจ้าของมันถ้าสุดท้ายดูไม่สำคัญมากว่าเป็นนั่นเป็นนี่ อันนี้เป็นเรื่องยากที่สุดนะม่สองคำประมาเป็นนั่นเป็นนี่แต่และมันใช้สติเองีไม่พอต้องใช้ปัญญาด้วยจนกระทั่งสามารถจะเข้าใจเรื่องสมมุติสามารถที่จะมองทะลุไอ้สมมติที่เราไปยึดติดเข้าใจเข้าใจในเรื่องของความเป็นอนัตตาความว่าเพรา ะ, ะนั้นสรุปแล้วเนี่ยไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยที่สุดก็คือการปล่อยวางนั่นเองนะก่างสั้นๆ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่หลวงพ่อคาเขียนแล้วก็พูดไว้นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถึงที่สุดแล้วคือการปล่อยวางทางกิตปล่อยวางทางกิตนะฮะทํากิตยังทําอยู่ลูกไม่ใช่ของเราแต่ยังดูแลลูกส่งเสียลูกสั่งสอนลูกรถไม่ใช่ของเราแต่ก็ยังยังทําความสะอาดดูแลมา ร่างกายไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าก็ดูแลมันให้สะอาดป่วยก็รักษาก็าจะม่ปล่อยวางคือปล่อยวางทางจิตส่วนกิจก็ยังทําอยูนะ่หน้าที่ก็ยังทําอยู่ แ, แล้วตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนะความที่ท่านไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยท่านไม่ได้ท่านไม่ได้สอนแต่ท่านทําด้วยและท่านเป็นด้วยเป็นในที่เดียวกัว่าท่านบรรลุถึงสภาวะนั้นเพราะนั้นเนี่ยคือคําอธิบายว่าทำไมหลวงพ่อเนี่ย จึงคนเป็นคนที่เปลี่ยนด้อยเมตาและคนเห็นเห็นเห็นเห็นหน้าท่านอยู่ใกล้แท้เพืเอนหนังสือเรื่องเราหลวงพ่อเขียนครั้งที่สามนะเห็นไหะมีแค่เห็นมันมีภาพแค่ภาพภาพอะไรภาพตาเนี่ยกับแว่นเนี่ยคนก็รู้แล้วว่าเป็หลวงพ่อพ่ออะไรฮะ เพราะนั่งกินจุดเด่นของท่านคื อ, คอแกวตาที่เกิดมด้วยเมตตาเมื่อไม่เป็นหลับกรอะไรกับอะไรแม่นะ้ำกม็มีความแกตัวนะจิตก็มีความเมตตาอย่างกว้างขวางและเมื่อไม่ไม่มีความยึดมั่นถึงว่าว่าเป็นอะไรตัวตนน้อยจนยหรือไม่มีหรือไม่มีตัวตนแล้วก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยากเป็นธรรมชาติไม่ใช่เสแสร้ง แล้วก็พอใจการหยู่เรื่อง่ายมีหลายคนพูดนะเมื่อเช้าควความน้อมความโตของหลวงพ่อความเมตตาของหลวงพ่อความเรี่องง่ายของท่านไม่มีกุติเลยท่านเนี่ยจริงๆดูร่า ง, งใหญ่นะฮะแต่เวลาท่านไปพังในป่าเนี่ยหาท่านไม่เจอนะฮะอัตมาตัวเล็กเนี่ยไปอยู่ในป่าเนี่ยเห็นชั้นเลย <laughs> คือท่านเนี่ยคืนไปกับป่าเลยนะฮะ คืนตัวป่าเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเ ป, เป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะแต่แต่ต ก, แก่อนท่านก็ใช้ค้างในป่ากลางคืนก็ไปนอนในป่าใต้ต้นไม้ถ้าเลี้ยงเลี้ยงง่ายมากนะแต่ไม่ใช่มักง่ายเนะพราะพูดถึงความประหลิบถีทุ่นนั่นก็มีและเพราะว่าท่านไม่ไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่มีตัวตนน้อยนะหรือว่าไม่มีตัวตนเลยเนี่ยเวลาใครว่าร้ายท่านสายร้ายท่านเนี่ย ท่ไม่ทุกเลยท่านไม่บุ่นวายอัตมา ก, ก็ไม่เคยเห็นนะว่าท่านว่าร้ายใครอัตมาอยู่กับท่านสมัยที่ท่านเนี่ยยังปลูกกล่าวหาว่าเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์เมื่อเกิดเจ็สิบปีที่แล้วปลูผู้นําในหมู่บ้านกล่าวหาใส่ร้ายเพราะว่าหลวงพ่อไม่เอื้อเขาได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆที่สมัยนันอัตมาเป็นคารวะเอาเข้ามาโครงการสหกรณ์ข้าวนะ อกองทุนหมู่บ้านแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ไประโยชน์เขาก็ฟุบโมโหท่านก็ดา่ า, าท่านใส่ไล่ท่านก็ไม่เคยเห็นท่านตอบโต้เลยเลยแต่สุดท้ายคนเหล่านั้นก็แพ้ไพยตัวเองบางคนก็กลับมาขอโทษขอโทยท่านคนเหล่านี้เนี่ยชอบไปแล้วเนี่ยเวลาเขาด่าท่านเนี่ยไอค้คาด่านี่ไม่เคยโดนโดนตัวท่า น, น, นเลยไม่เคยโดนอัดตาของท่านเลยเหมือนกับที่อาจารย์คันชิดเนี่ยยกโยติยาง น, นีที่หลวงพ่ อ, อวัดเนี้ย เอามือเนี่ยแล้วก็เอาเอาเอาอุศรเนี่ยพุง่งเข้าไปมันผ่านคําด่าเนี่ยมันไม่เคยโดนตัวท่านเลยเพราะอะไรพราะไม่มีตัวตนจะให้โดนนะหรือว่าตัวตนนิดน้อยมากเพราะไม่เป็นอะไรกับอะไรนะฮะไม่สมคัญหรหอกเป็นนั่นเป็นที่แต่ผมก็ว่าชันเป็นเจ้าว่าชั้นเป็นพระจะมาพูดกับชั้นได้ยังไงเป็นครูนะเป็น เป็นชาวบ้านธรรมดาจะทํานี้กับท่านได้องไม่มีความรู้สึกนะจึงไม่โกรธ น, นะแล้วท่านยิงยิ่งท่าไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยตมาคิดว่าเวลาเวลาเราพูดถึงคุณธรรมของหลวงพวอ่อมังคีนี่นะออต้องคอยตระหนักว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยนะมันก็คือความไม่เป็นอะไรกับอะไรและถึงเวลาที่ท่านป่วยนะท่านก็ป่วยยังไม่ทุกข์ อาจจะมีความสัมพันธ์เอาเป็นผู้ป่วดหรือผู้ป่วยได้ซ้ําถ้าหลวงตัวงพ่อเขียนปุ้ยเสมอว่าเนี่ยเวลานี้อยู่ความไม่เป็นอะไรกับอะไรตอนที่ท่านป่วยนะนะเวลานี้ปล่อยวางไม่เป็นอะไรกับอะไรบางทีท่านก็ต่อกว่เนี่ยภ่าถามตอนนี้เนี่ยเหมือนกองล้อเหมือนล้อเกลี้ยที่กําลังชำรุดแก้ไขไม่ได้แล้วจึงอยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไร ในความเป็นอะไรกับรายนี้มัต้อกจากทําให้ท่านเนี่ยในยานที่ปกติท่านมีความสุขปกติไม่ทุกข์ไปกับเสียงสารเสริญนินทาถึงเวลาป่วยนั้นท่านก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรนะเป็นคำว่าร่างกายท่านไม่เลื้อท่านทําอะไรได้อย่างที่ท่านอย่างที่เราเคยเห็นนั่นก็เรียกว่าเวลาป่วยท่านก็ไม่ได้ทุกข์ ก็มีความสำคัญว่าฉันป่วยเป็นผู้ป่วยและตมาชื่อว่าตอนที่ท่านมรณภาพุเนี่ยท่านก็มีการสารทันว่าฉันกำลังตายแเราคงทราบนะตมาจะไม่กล่าวในที่นี้ว่านาที่สุดท้ายของพ่อเนี่ยเป็นอย่างไรท่ า, จานจะไปสงบทั้งที่หายใจไม่ออกแล้วนะเขียนข้อความว่าขอพวกเราใครหลวพ่อตายไม่ต้องช่วยเลยท่านแล้วก็มันไม่ได้ผลนะเขียนเขียนเสร็จท่านก็ประนมมือขอบคุณ ลูกศิษย์ก็ขอบคุณจริงๆไม่ได้เป็นขนมือขอบคุณท่านั้นนะขนมือแวกนมือลาแล้วท่านก็จากไปไปอย่างสงบมากของที่ยสาสินหายสองปีที่แล้วในความไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นแค่ความคิดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเนื้อเป็นตัวของท่านหรือว่าเป็นเป็นสภาวะที่ช่วยหล่อเลี้ยงท่านทั้งในยามที่เป็นปกติและในยามเจ็บป่วยและในยามตาย อาตมารู้ก็แปว่าความไม่เป็นอะไรกับอะไรของด้านทำให้ท่านรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะต่อหมู่บ้านต่อสิ่งแวดลอ้อมขยันทํางานหนักนะแต่ว่ามีความสุขแนะารข้อปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ทําอะไรเลยหลวงพ่อเนี่ยต้างปล่อยวางทางจิตแต่ว่าความรับผิดชอบหรือว่าความใส่ใจการการงานการเนีน่ยต้องทำเต็มที่ไม่ว่าเรื่องวัดนะไม่ว่าเรื่องญาติโยมไม่ว่าการปฏิบัติการสอนธรรมหรือว่าการอนุรักษ์ป่า รวมทั้งการช่วยหยือชุมชนสมัยที่ท่านยังยังยังหนุมคำถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะการไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนะมันเป็นสภาวะที่ทำได้น ะ, ะเฉพาะกับหลวงพ่อเพรานั้นหรือสนะมาชิอว่าเราแต่ละคนเนี่ยก็สามารถยกก้าวไปสู่สภาวะนั้นได้ เริ่มต้นจากการฝึกที่จะเห็นไม่เข้าไปเป็นนะเจออะไรขึ้นมาไม่ว่าที่กายหรือใจปวดเมื่อยที่กายโกรธโมโหพยายามเห็นมันเห็นนะไม่เข้าไปเป็นทาความเข้าใจได้ว่าเห็นคืออะไรนะปฏิบัติไม่ช่วยทำให้เราสามารถจะพูดได้เห็นความแตกต่างได้ระหว่างคําว่า รู้เครียดกับรนูเห็นความเครียดนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทําไดนะ้ปีที่แล้วต่อมาเคยยกตัวอย่างนะอาจารย์หลวงพ่อจามประสงค์ปริพุนโนไปถามเด็กสมุ น, นคุยไปคุยมาเด็กที่ไปโตคนเนี้เด็กฉลาดมากท่านเกรว่ารู้เป็นเด็กฉลาดรู้หลวงพ่อจะให้ของฝวัญหนูแล้วท่านก็หยิบรูปบัังขึ้นมาจากยา่ามเด็กก็เห็นก็ร้องอู้ฮู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 อันนีนะ้คือสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนสอนคือรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆก็คุณดูเฉยเฉยถ้าเด็กคนที่แปกขวบนะสามารถจะเข้าใจและทําได้รู้ไม่ทำอะไรกําเลยค่ะมันแค่ดูมาเฉยเฉตอนนี้ข้างในมันเบาแนละความดีใจมันลดลงแล้วความดีใจความเสียใจเหมือนกันอย่างนึงคือมันกลัวถูกเห็นหรือว่ามันภัยงานต่อการเห็นถูกเห็นเมื่อไรเนี่ยมันก็จะสงบ ความดีใจพอถูกเห็นเมื่อไหร่มันก็จะสนุกความเสียใจถูกเห็นเมื่อไหร่มันก็จะเพ่าเลยเพราะนั้นเนี่ยการเห็นเนี่ยสำคัญมากเมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็ให้รู้ซื่อเข้าไปนะก็คือรักษาใจรเราเป็นกลางกับทุกอย่างไม่เป็นปฏิปักษนะ์เวลามีเสียงดังลำคาเนี่ยแทนที่จิตจะไปเพ่งที่เสียงส่งออกนอกก็กลับมาดูใจเราเมื่อใจเรามีสตินะก็มันก็จะเค่อยเพ่ า, พ ล, าลงแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ลดลงก็จะไปนขนแค้นมัน ท่างมันไม่เป็นไรหลวพอองพเขียนเนี่ยท่านพูดว่าคนเรามันจะมีปิกริยาอย่างแต่อย่างหนึ่งนะเวลามีอะไรกระทบเนี่ยถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่มีสตินะมันจะโอยหลนะวงพ่อบอกว่าไม่ถูกนะต้องอืออย่าโอยให้อือเสียงดังนะของแหลมแทงนะรถติดอย่าโอยอือ อือแปลว่าอะไรคือแปลว่าเห็นแปลว่ารู้เฉยๆโอ๊ยแปลว่าไม่ไหวแล้วคือแปลว่าอะไรไม่เป็นไรแล้วนะคุณทําค่เนี้ยทําได้ไหมนะเวลามันโอ้ยเมื่อะไรเนี่ยนะให้รู้แล้วนี่เข้าไปเป็นแล้วนะเปลี่ยนให้มันอือช่างมันไม่เป็นไรนะเป็นปมงอนะก็ไม่ต้องโอ๊ยอือ Um> มันเหียวไม่ต้องโวยอือนีนฝ น, น, น, นะคุณฝึณณณต้องฝึกช่วยปฐมวันต้มีหลักาไ ป, ปฏิบัติธรรมในว่าก็เอาสุขับบนี้แหละนะแต่อย่างที่ว่ า, าคือว่าอะไรที่ต้องต้องก็คุณทำป่วยอย่าโอ้ยอือแต่ว่าก็ต้องรักษานะผมงอคุณยังย้อมเพื่อนไม่เป็นไรแต่ว่าก็ให้อือไว้ก่อนนะอันนี้แหละที่ความหมายคุณพ่อว่านักนาต้องเปลี่ยนลกาน เปลี่ยนโอ้ให้กลายเป็นดีให้ได้นะท่านผู้อยู่เสมอเปลี่ยนทุกอย่างเป็นความเปลี่ยนลงให้เป็นความไม่หลงเราต้องฉลาดในการเปลี่ยนร่างกายเป็นดนะีของเล่ย์ล่ย์เนี่ยนะถ้าเรามีสติเห็นมันเนี่ยมันจะกลายเป็นดีความโกรธ ถ, ถ้าเรามีสติเห็นมันเนี่ยมันจะสอนทําให้กับเราไม่ทําเราจะเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามก็จากนี้แหละก็จากสิ่งที่อาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจไม่ว่าบุกหรือลบไม่ว่ากุศลหรืออกุศล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 ทำอย่างที่หลวงพอ่อบุ้คุยเสมอรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนะึรู้กายเคลื่อนไหวขยายหน่อยเมื่อเวลาทำอะไรตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะอาบน้าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น เวลาทำอะไรใจก็รับรู้ปกติเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันต้องใส่กายเคลื่อนไหวเมื่อกายเคลื่อนไหวนะก็รู้รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจคนเราเนี่ยถ้าต้องา ก, การทำกิจแล้วมันก็จะเจอเหตุการณ์อย่างที่ที่ประสบเป็นประจำคือมีผัสัทั้งวันเนี่ยเวลาทำอคืสองอย่างนะคือทำกิจกับเจอผัสไม่มีเกินไปจากนี้เมื่อทำกิจก็รู้กาย เพราะเราทํากิจอาศัยกายรู้การเคลื่อนไหวเมื่อเกิดภาษาใจกันกรเพื่อมใจมคิดนึกใจมปรุงแต่งก็รู้ใจคิดนึกรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจเห็นใจคิดนึกเมื่อเกิดผัสสะและตรงนี้จะเป็นกระบวนการที่ทําให้เราเนี่ยก้าวไปสู่ความไม่เป็นอะไรกับอะไรจากหยาไปสู่ละเอียดถ้าเราใช้เวลาพอสมควรแล้วนะั่นก็คิดว่าคงจะไม่มีเวลาที่จะ อธิบายมากไ ป, ไปตอนนี้เพราะว่ า, าตอนนี้ก็ร่วมเลยเวลาคุยมากแล้วแล้วก็ขอยุติการบรรยายจากที่นี่แล้วขออนุโ ม, มทนาทุกท่านที่ได้มาร่วมกันฟังสิ่งที่ททเป็นประโยชนต์ต่อกาปรปฏิบัตินะหลายท่านก็มีความเคารพนักถือและก็ขเขียนในการส่วนตัวและท่านก็อาจจะเคยได้ได้ฟังกาสอนของท่านทางยูทูบหรือว่าทางเทสต์ของท่านอาจจะไม่เคย รับรู้เลยนะแตนะ่ว่าผูุ้สาหมามาฟังจนถึงเวลานี้นะก็ต้องขอบคุณแล้วก็เชื่อว่าหากเรานเะอาสิ่งที่ได้เรียนรู้นําไปปฏิบัติเนี่ยมันก็จึงจเป็นการปฏิบัติบูชาในแท้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพวกเราด้วยเป็นการสื่อต่อาศาสนาไปในตัวแล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดนะซึ่งได้จัด ง, งานนี้โดยร่วมกับสวนโมกกรุงเทพพอมจนมาเห็นเพื่อให้ท่านเป็นโยกก็ถือว่าได้ช่วยกันทําให้ ปฏิภาวที้ได้แค่หลักจารซึ่งที่จริงก็คือการเผยแผ่คาสอนพุทธโลกนั่นเองต่อที่สุดีนขออ้าวคือพรษษะเชษฐาณตรัยอำนวยเผยให้ทุกท่านได้เฉลิมด้วยออายุวรฒนาสุขภาระเพื่อเป็นความรับประปจัยในการทําความดีงามให้ถึงพร้อมโดยทานศีลภาวนาคอยได้เกิดปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์ได้เข้าถึงภาวะที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรจนสามารถที่เข้าถึงบรรลุ ความสงสัสารมีพันธิจาปไปที่หมายที่กานทุกคนเธ อ, อ